บทที่หมืออร่อยลานดาวมาถึงพัตตาคา n ก่อนเวลานัดปกติหล่อนจะมีความสุขกับการให้คนอื่นรอแต่ดูเหมือนคราวนี้คือครั้งแรกละมังที่หล่อนเริ่มเป็นสุขกับการรอคนอื่นบ้างมาวันทามาถึงตรงเวลาพอดีลานดาวโบกมือให้หยอยๆนานเหลือเกินแล้วสำหรับครั้งสุดท้ายที่หล่อนดีใจกับการปรากฏตัวของใครบางคนเพิ่งเดี๋ยวนี้ที่ความรู้สึกเช่นนั้นย้อนกลับมาอีกถึงนันหรือยัง คุณหมอถามเสียงนุ่มขณะลงนั่งด้วยท่วงทีนิ่มนวลน้ำมะนาวตรงหน้าลานดาวที่พร่องลงเกือบหมดบอกได้ว่าอย่างน้อยต้องอยู่นี่ระยะหนึ่งแล้วแป๊บเดียวค่ะตอบเสร็จก็ยิ้มกลิ่มจับมองใบหน้าอีกฝ่ายหนึ่งในตาทอประกายสุกระริกมาวันทาศารตาตอบด้วยความสนเท่เล็กน้อยลานดาวดูสวยกว่าตอนกลางวันมากทั้งดวงหน้าทรงผมแววตาและกระทั่งยิ้มพิมพ์ใจทุกองค์ประกอบในเครื่องหน้าคล้ายอาบมนสเสน่ห์อันเต็มไปด้วยพลังสะกด ที่แม่เพศเดียวกันยังงวยงงนี่เป็นครั้งแรกที่หล่อนมีนัดส่วนตัวกับคนไข้รวมทั้งเป็นนัดแรกกับคนรู้จักทางอินเทอร์เนต็ตแต่บอกตนเองว่าเหมือนนัดกับน้องรักที่สนิทชิดเชื้อเกินเกินกว่าจะจัดเข้าประเภทคนแปลกหน้าสั่งกันเลยไหมเอาสิคะต่างเลือกกับข้าวคนละสองจานพอบริกรรับรายการเดินจากไปก็หันหน้าเข้าหากันอีกถ้าทางพี่เอิญคงมีคนไข้จากอินเทอร์เนต็ตเยอะ แค่นิดหน่อยถึงจะคุยถามตอบกันพอใจอย่างไรเขาก็เลือกหมอใกล้บ้านมากกว่าจ้าคงเจอเพื่อนทางเน็ตบ่อยละสีลานดาวยนนาเพิ่งมีพี่เอิญนี่แหละค่ะที่ได้เจอตัวเป็นๆของจ๊ะเห็นแจกยิ้มเก่งทั้งในเน็ตและตัวจริงนึกว่าหน้าชอบสังสรรจ้าคบคนยากค่ะรักใครก็ยากพูดจบสยาม ย, ยิ้มกว้างขึ้นอีกฐานที่ถูกชมว่าแจกยิ้มเก่งรักใครยากแต่คงทําให้ใครมารักเราง่ายมากสินะ บ้องแบลวเหมือนตัวการ์ตูนอย่างจ้าจะมีใครตาบอดมารักคะอิฉาพี่เอิญต่างหากมีพระเอกตัวจริงมาขอแต่งตั้งแต่เออยังไม่รู้เลยพี่เอิญอายุเท่าไหร่เนี่ย24โหยังไม่ถึงเป็นจะเพศเลยถือว่าแต่งเร็วกว่าเกณฑ์เฉลี่ยนะคะของจ้าเนี่ยมีหมอดูทํานายว่ากว่าจะเจอตัวจริงก็เกือบ40่สแนมาวันทางหัวเราะใครจะเชื่อเขาบอกเป็นกรรมหาว่าเราทําอะไรไว้นักหนาก็ไม่รู้พี่เอิญเชื่อเรื่องกรรมไหมคะ ในขอบเขตหนึ่งเท่าที่รับรู้ได้ก็ต้องเชื่อมั้งขอบเขตที่รับรู้ได้มีแค่ไหนก่อนอื่นต้องดูนิยามของคําว่ากรรมในพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าตรัสว่ากรรมคือเจตนาเจตนาคือกรรมใครทําอะไรบ่อยๆก็กลายเป็นอาจินตกรรมหรือพูดให้ง่ายคือนิสัยคือความเคยชินในการกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งในแง่นี้เราทุกคนต่างก็กําลังสวยผลจากวิธีคิดวิธีพูดและ ว, วิธีลงไม้ลงมือกันทั้งนั้น อย่างถ้าพี่ไม่ตั้งใจเป็นหมอไม่พยายามเรียนหมอให้ต่อเนื่องจนเกิดภาวะนิสัยแบบหมอก็คงไม่มีสิทธิใส่เสื้อกาวไม่ได้ช่วยตรวจจ้าแล้วก็จะไม่มานั่งกับจ้าอยู่เดี๋ยวนี้แต่ขอบเขตของกรรมที่ไทยเราเชื่อๆชื่อกันนี่ดูเหมือนต้องเกินพรมแดนชีวิตปัจจุบันย้อนกลับไปหาอดีตที่เราไม่รู้และจาไม่ได้นี่คะกรรมแบบนั้นพี่เอิญเชื่อไหมแพทย์สาวนิ่งไปอึดใจเกณฑ์ความเชื่อของแต่ละคนต่างกันสาหรับพี่ ที่สมัครใจเชื่อเฉพาะสิ่งที่ตัวเองรู้เห็นขณะเดียวกันก็ยอมรับว่ามีหลายเรื่องที่เรายังไม่รู้และหาคําตอบจากหลักฐานทางหูตาไม่ได้เช่นคนไข้ามากรายเจ็บป่วยแบบพิศดารเกินกว่าจะพลิกตําราหาทางวินิจฉัยก็ต้องโทษให้เป็นเรื่องสุขภาพจิตหรือวิบากกรรมไปพลางๆเพราะมันเป็นคําตอบที่ง่ายและทุกคนยอมรับว่าสุขอยู่ในซอกมุมมืดของธรรมชาติซึ่งยากจะชี้ว่าผิดหรือถูกเชื่อแล้วโง่หรือฉลาดแต่เรื่องเวรกรรมคนที่ตัดสินว่าใครเชื่อก็โง่ทันทีนี่เยอะเหมือนกันนะคะ พี่เคยนั่งนึกนะว่ามนุษย์เรามีสักกี่คนที่ฉลาดจริงๆอย่างคุยว่ายุคเราล้ําสมัยก้าวออกมาจากยุคหินที่เต็มไปด้วยความงมงายแล้วหากตรึกตรองตามจริงจะเห็นว่าในจํานวนมนุษย์นับพันล้านมีเพียงไม่กี่ร้อยคนที่ทรงอิทธิพลขนาดริเริ่มสร้างรถประดิษฐ์หลอดไฟหรือออกแบบคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตได้แต่คนส่วนใหญ่พออยู่ยุคไหนก็มักสําคัญความฉลาดของตัวเองว่าเทียบเท่ากับวิทยาการในยุคนั้นลนดาวเบิกตาโพลงจริงด้วยแฮ ง่ายๆทุกวันนี้สารให้ใช้ d n a อ็เป็นหลักฐานชี้ขาดว่าใครเป็นคนขโมยใครเป็นฆาตกรใครเป็นพ่อแม่ลูกกันจริงสังคมก็พลอยเออออยอมรับตามทั้งที่มีน้อยคนเข้าใจเรื่องรหัสพันธุกรรมและยิ่งน้อยเท่าน้อยที่รู้จักกระบวนการพิสูจน์ว่าทํากันอย่างไรผลลัพธ์แม่นยําขนาดไหนรับทราบแต่ว่ามีกลุ่มบุคคลที่ทรงภูมิให้การรับรองทั้งนักวิทยาศาสตร์และผู้พิพากษาก็จําใจเชื่อโดยปลัศจากความรู้แจ้งเห็นจริงด้วยตนเอง อย่างนี้ต่างอะไรจากความงมงายของพลโลกในยุกมืดที่จำต้องรับการตัดสินจากผู้อยู่เหนือกว่าทั้งพระราชาและพ่อมดฝ่ายรับฟังพยักหน้ายกมือเท้าคางยิม้มชักเห็นตามพี่เอิญแล้วละ่ะคนส่วนมากเป็นนักเดาผู้ยิ่งใหญ่ด่วนเชื่อหรือปฏิเสธโดยอาศัยความไม่รู้เป็นฐานไม่ใช่เพราะรู้อะไรดีสรุปคือเรื่องกำเวนข้ามชาตินี่พี่เอินรู้ตามจริงว่าตัวเองไม่รู้ใช่ไหมคะจ้จะได้ยึดไวเป็นแนวมั่ง ก็คงงั้นคนเรามีร่องรอยหลายอย่างที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวนอกจาก DNA ที่ยอมรับกันทางวิทยาศาสตร์ก็มีลายมือลายเท้าโงเ่เฮงสิ่งเหล่านี้บอกชัดว่าคนเราแตกต่างแต่ใครจะเป็นคนรับประกันว่าอะไรเป็นอะไรหมอดูมีหลายสำนักแต่ละสำนักมีหลักการผิดแปกสืบถึงรากก็จะเห็นว่าเพราะตั้งข้อสังเกตไว้ต่างมุมมองกันและนี่ขนาดสิ่งที่เห็นได้ด้วยตาเปล่ายังลึกลับซับซ้อนยากจะชี้ถูกชี้ผิด ถ้ายิ่งไปพูดถึงนามธรรมา ท, ที่จับต้องไม่ได้อย่างกรรมวิบากใครจะเก่งขนาดหน่าเชื่อถือว่ารู้จริงเช่นต้องประสบผลอย่างนั้นอย่างนี้เพราะก็ะทำเหตุอย่างนี้อย่างนั้นลานดาวพยักหน้าอีกอันนี้เจอกับตัวเองเลยค่ะหมอดูที่จะเพิ่งไปหาเขาใช้กรรมเป็นเกณฑ์ทานายแล้วก็ใส่ไข่ใหญ่หาว่าเราชอบหลอกชาวบ้านเร็วๆนี้ต้องรับผลต้องโดนคนทาให้เจ็บมั่งระบุ ด, ด้วยว่ารูปร่างเป็นอย่างไรอายุเท่าไหร่ ฮ่าาไรสาระสิ้นดีเพราะบุคคลในคำทํานายของหมอดูนะ่ะเฮ้ออย่าให้พูดดีกว่าสรุปคือถ้ากรรมวิบากเป็นเรื่องจริงตาคนนี้ก็ไม่ได้รู้อะไรจริงหรอกมาวันทาเลิกคิวเล็กน้อยแต่ฟังดูน่าสนใจนะใช้กรรมเป็นเกณฑ์ทํานายทำยังไงหรอก็นั่งมองหน้าเราและพูดเลยค่ะแบบพวกนั่งทางในนะ่ะไอเราก็ฟังเสียงลือเสียงเล่าอ้างเห็นว่าแม่นนักแม่นหนาไปไปมาม า, มาน่าจะพวกจิตวิทยาสูงมากกว่าอย่างอื่น หน้าตาเจ้าเล่ก็ลันดาวอ้อมแอมดูภายนอกหน้าเลื่อมสายยูหรอกนะคะอายุสัก4ีสิบเห็นจะได้พูดายอย่างกับพระจะเกือบก้มลงกราบอยู่รำไรแต่ทายไปทายมาชักอยากวีนใส่แทนแวบนึกถึงชาญวิทย์ปั่นจักรยานหัวฟูแล้วโมโหจี๊ดขึ้นมาอีกค่าที่เหมือนถูกหมิ่นว่าหล่อนจะโดนชายกระจอกหลอกหักอกแล้วเสียงลือเสียงเล่าอ้างที่จะได้ยินนี่คือยังไง เพื่อนจาไปดูมาเห็นทักถูกเกี่ยวกับความในใจคือเขาอยากรู้ว่าจะาชอบเขาหรือเปล่านอกจากนั้นยังทายมาถึงจ้าถูกว่ารูปร่างหน้าตาเป็นยังไงหน้าตาอย่างนี้ทำกรรมอะไรมาแถมพอไปถึงต้องยืนต่อคิวเสียด้วยคนยืนคิวหน้าเราเล่าให้ฟังว่าทําโทรศัพท์มือถือหายหมอดูก็สามารถระบุถูกว่าคนเก็บได้เป็นใครอยู่ที่ไหน นอกจากนั้นยังแผ่เมตตาให้ออีที่เพิ่งเสียช่วยใหพ้นจากความเป็นเปเลดเห็นทายแม่นว่าอุปนิสัยอย่างไรจึงส่งไปเกิดเป็นเปนเปลดเสร็จแล้วออีมาเข้าฝันขอบคุณด้วยคําบอกเล่าของลานดาวทําให้สีหน้ามาวรนทาเปลี่ยนไปจากที่ฟังเรื่อยๆกลายเป็นสนใจจริงจังกว่าเดิมแม้ขณะนั้นเริ่มมีการลําเลียงอาหารมาวางก็คลายทั้งคู่ลืมสนิทนอกจากคําพยากรณ์ที่จ้าเห็นว่าเหลวไหลเขาทักอะไรที่เข้าเขาหรือเรารู้อยู่แก่ใจว่าแม่นบ้างไหม ก็มีค่ะลานดาวยอมรับเขาบอกถูกว่าจาเคยพูดกับใครไว้ท่าไหนแต่แค่พูดผิดอย่างจังคําเดียวก็ทําให้ศรัทธาทั้งหมดก่อนหน้าล้มละลายหายศูนย์หมดมาวันทามเม้มปากเขาอยู่ที่ไหนบอกพี่หน่อยได้ไหมลานดาวกระพริบตาปลิบๆแล้วมองอีกฝ่ายหน้าตื่นพี่เอิญจะดูหมอแพทย์หญิงพงกศรีสะเห็นความโงนของผู้ได้อาวุโศแล้วจําต้องเปิดเผยเบื้องหลังความต้องการคุณป้าพี่เพิ่งเสียเมื่อสองเดือนก่อนพี่รักท่านมาก แล้วก็ถ้าพบชาติมีจริงพี่ค่อนข้างไม่สบายใจเพราะตอนไปท่านค่อนข้างทุรนทุรายและพึพมพำแบบที่ทําให้นึกห่วงจนถึงวันนี้ พ, พึมพำว่ายังไงคะร้อนลานดาวทําตาหยีถามแบบยิ้มแหย่คิดว่าหมอดูจะทํานายหรือช่วยเหลือได้หรือคะวินาทีนี้ยังนึกช่างหมออุปการะอยู่ตังิด ต, ตังหิดเพราะแค้นกับคําที่เหมือนสาบแช่งมากกว่าทํานายและเมื่อคนเราผูกใจโกรธใครก็ยากจะมองกันในแงด่ดีหรือเห็นหน่าเชื่อถือ ต่อให้ชื่อเสียงกระชอนปานใดใครๆพากันยกย่องสักแค่ไหนก็ตามในความไม่รู้ถ้าพี่จะเลือกเชื่อเกณฑ์ทํานายสักอย่างก็น่าจะเป็นเกณฑ์ที่มีเหตุผลมีต้นปลายที่ไปที่มาหมอดูของจ้าใช้กรรมเป็นเกณฑ์นั่นน่าฟังกว่าเกณฑ์อื่นเช่นตําแหน่งดาวอีกอย่างหากเขาเกณฑขนาดบอกชื่อที่อยู่คนเก็บของหายถูกก็เป็นเครดิตว่าเขาน่าจะมีความสามารถล่วงรู้สิ่งที่พวกเราเข้าไม่ถึงอย่างน้อยพี่ก็อยากฟังว่าเขาจะพูดถึงคุณป้าสักนิด ได้ค่ะแต่ขออาสาเป็นคนพาพี่เอินไปได้ไหมต้องรบกวนจ้กขนาดนั้นเลยหรือแค่บอกที่อยู่ให้พี่ก็พอมั้งอยากพาไปนี่คะรังเกียจหรอเปล่าถ้าได้อย่างนั้นต้องขอบคุณมากๆด้วยซ้ำหลอนกล่าวจากใจจริงแม้ลานดาวเริ่มแสดงท่าทีชัดว่าอยากสนิทชนิดไปไหนมาไหนด้วยมาวันทาก็ปลัสจากความขัดข้อง ตรงข้ามหล่อนเองก็อยากได้ลานดาวเป็นเพื่อนเที่ยวยามห่างจากสามีคนเราถ้าเข้ากันดีเริ่มคบกันวันแรกก็เป็นสุขจนรู้ว่าใช่แล้วทีแรกที่แปลกใจเพลนึกว่าพวกแพทย์จลิกห่างจากการดูโชคชะตาราศีและการทานายทายทักที่ขาดเหตุผลแบบวิทยาศาสตร์เสียอีกแสดงว่าไม่ค่อยรู้จักหมอเพื่อ น, เ พ, อนเพื่อนพี่น่ะบางคนขนาดเอาตัวเองเข้าศึกษาจนช่ำชองทีเดียวนะ หมอมีความรู้ความจํามากกว่าคนทั่วไปมีทักษะความสามารถรักษาโรคแต่ก็เป็นมนุษย์ธรรมดาที่อยากรู้ว่ากําลังจะเกิดอะไรกับตนเองในวันหน้าเหมือนกันจริงนะคะงั้นถ้าไม่นับวิธีพยากรณ์ด้วยกันนั่งทางในสองกรรมพี่เอิญพอจะยอมรับเกณฑ์ทํานายชะตาแบบไหนบ้างมาวันทาสายหน้าพี่เจอหมอดูมาน้อยเกินกว่าจะตัดสินว่าเกณฑ์พยากรแบบไหนแม่นมากแม่นน้อยแค่พอรู้คร่าวๆ ว, ว่าโหราศาสตร์หมาถึงการพยากรณ์โดยอศาศัยตําแหน่งดาวเป็นเกณฑ์ นอกจากนั้นก็มีทั้งดูไพ่นับเลขจีปาถะจําไม่ไหวแต่ละหลักการพยายามโยงเราเข้ากับสิ่งแวดล้อมภายนอกจะมีใกล้ตัวหน่อยก็ลายมือลายเท้าเป็นสมบัติที่ปรากฏชัดในเราเองและเห็นง่ายว่าปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆถ้าบังคับให้เลือกเชื่อพี่จะเอาแบบที่ปรากฏร่องรอยในร่างกายเรามากกว่าอย่างอื่นอย่างกรุบเลือดนี้ก็มีคนเก็บสถิติไว้นะว่าสัมพันธ์กับนิสัยใจคอพอบอกอุปนิสัยพื้นฐานของคนเราได้จากกรุบเลือด อาหามีงี้ด้วยมีสำหรับคนช่างสังเกตก็เอารายละเอียดในคนเรามาใช้ทํานายทายทักได้ทั้งนั้นแหละความเป็นตัวเราปรากฏอยู่ทุกอนูนับแต่หนังกาพร้าไปจนถึงเลือดทุกหยดพวกมันเหมือนเบาแสบอกความเป็นเราในทางใดทางหนึ่งเสมออาจจะอดีตปัจจุบันหรืออนาคตที่ไม่มีวิชาทํานายกระดูกก็คงเพราะคนยังไม่นิยมแงออกมาดูกันนะคะมาวันทาหัวเราะ ใครจะรู้ถ้าอีกหน่อยเอ็กซเรย์กันง่ายเหมือนเอาแว่นขยายส่องก็อาจมีคนริเริ่มเก็บสถิติตั้งตนเป็นบิดาหแห่งอัฐิศาสตร์แข่งกับหัตถศาสตร์กันแล้วก็มองจานกับข้าวเหมือนเพิ่งนึกได้ทานเถอะทั้งสองเริ่มลงมือรับประทานแต่ลานดาวยังติดใจถามต่อเมื่อปากว่างพี่เอิญบอกได้ไหมอย่างจะนี่น่าจะเข้าไข่เลือดกรุ๊ปอะไรมาวันทางเงยหน้ามองอีกฝ่ายทบทวนความจำประเภทรวยใช่ว่าใส่บ่าแบะหามเป็นครู่ก่อนจะตอบว่ากรุ๊ป B อุ๊ยลานดาวทำตาตะลึงใช่จริงๆด้วยอะไรเป็นตัวบอกคะก็จากสถิติที่เขารวบรวมไว้กว้างๆนะ่ะจะในสายตาของพี่พอเผอิญอยู่ในข่ายของคนกลุ่มก็ทายไปตามตำราใช่ว่าพี่ใช้สังหรณพิเศษอะไรก่อนท่ายก็เตรียมใจไว้ด้วยซ้ำว่าอาจผิดเพราะกลุ่มเลือดนั้นบอกได้เพียงนิสัยขั้นพื้นฐานคนกลุ่มเป็นยังไงถามราวกับไม่รู้จักตนเองหัวเราะง่ายร่าเริงกล้าพูดกล้าทา ใช้ชีวิตตามความพอใจของตัวเองไม่กลัวใครมีสายตามุ่งชัดกับสิ่งที่ต้องการแล้วก็ท่าทางมาวันทาลังเลเลือกคําลานดาวเห็นก็อยากคิ้วหลิวตาชิงเฉลยเสียเองจะบอกว่าจาเจ้าชูใช่ไหมพูดเถอะรับได้แพทย์หญิงหัวร็อกเกอเกอร์บอกตนเองว่าแม่คนนี้ท่าทางอ่านใจคนเก่งและนั่นเป็นอาวุธสําคัญในการเอาชนะคลองใจทั้งศัตรูและมิตรได้แล้วพี่เอิญราคาเลือดกรุ๊ปอะไรโอ ลานดาวประสานแขนวางบนโต๊ะแทบเลิกสนใจข้าวปลาตัวพี่เอินตรงกับตำราว่าด้วยเลือดกรุ๊ปโอไหมคะก็เอ่ยเอือนแค่นั้นแล้วก็ยิ้มมุมปากหน่อยๆตักแกงใส่ถ้วยเฉยแปลว่าตรงให้จะาทายนะยิ้มกว้างเหลือบตาไปทางซ้ายสองนิ้วเคาะโต๊ะในท่าตรีตรองเรียบเรียงคำเยือกเย็นปราณีสุ ข, ขุมใช้สมองมากกว่างหัวใจชอบมีชีวิตบนฐานที่ให้ความรู้สึกมั่นคงอบอ้อมอารี มีความจริงใจและจริงจังกับคนรักสูงหากเป็นหมอก็จะมีใครต่อใครรักและสำคัญคือเป็นแรงบันดาลใจแรงบันดาลสุขให้กับคนเลือดกลุ่มบียิ่งนักมาวันทางหัวเราะนิ่มๆอย่าเวอ้อหนะ้าบอกสีว่าตำราไม่ได้ทายไว้อย่างนี้ฝ่ายถูกทายยิ้มเบะเล็กๆก้มหน้าตักแกงใส่ปากเฉยลานดาวเมียงมองคนเลือดกลุ่มโอ๊คคู่หนึ่งก่อนจิ้มไก่ห่อใบเตยเข้าปากเขียวหยับหยับแล้วยื่นหน้าพูดทางอมตุย้ยไก่ชะตาขาดร้านนี้อร่อยดีนะคะ มาวันทางเงยหน้ามองคนทำตลกแวบหนึ่งแล้วเบือนไปหัวเราะออกจมูกลานดาวแกะใบเตยช้อนใส่จานผู้นั่งตรงข้ามลองสักชิ้นสิขอบใจสองสาวสารตากันด้วยประกายยิ้มสนิทและเริงรมผู้หญิงเราดูดวงก็เรื่องคู่กันมากที่สุดบรรดาหมอดูที่เคยถ่ายพี่เอิญ น, นี่มีใครแม่นบ้างไหมเช่นจะเจอเนื้อคู่สูงต่ำดาขาวอย่างไรอายุเท่าไหร่จาไม่ได้แฮะอาจมีใครบังเอิญทายตรงแล้วพี่ลืมเสียสนิท งั้นมีเหตุการณ์ชวนให้เชื่อใหม่ว่าเป็นบุคเพลนิลวาทหรืออย่างน้อยเอาความรู้สึกส่วนหรือ ก, ก็ได้ว่าคนนี้ใช่เลยเราเคยคุ้นฉันคู่ผัวตัวเมียกับเขามาก่อนก็คงเหมือนพี่คุนกับจะมั้งพี่เชื่อว่าอธิบายเป็นเหตุเป็นผลได้คนเราหากมีวิธีคิดวิธีพูดและนิสัยใจคอคล้ายกันก็ต้องถูกใจและมีบรรยากาศของคนกันเองเมื่อพบปะเสวนาสารภาพนะคะ จะอ่านบรรดา น, นิทานหลอกหนุ่มสาวทั้งหลายเห็นคําบรรยายหวานซึ้งในฉากรักแรกพบแล้วอยากเจอแบบนั้นบ้างเกิดมาไม่เคยจนบางทีเหมือนตัวเองเป็นจอมเจ้าชู้แจกตาหาปิ้งบ่อยแล้วลานดาวก็อยากคิ้วและหลิวตาอวดเป็นตัวอย่างก่อนถามกับแฟนพี่เอิญพบกันครั้งแรกมีปรากฏการพิเศษเกิดขึ้นแตกต่างจากผู้ชายทั่วไปบ้างไหมคะคงเพราะจ้าไปเข้นความรู้สึกมากเกินมั้งสําหรับพี่ตอนเจอเขาครั้งแรกก็ประมาศพลาแล้ววุบไหวอ ย, อยู่บ้าง แต่ไม่ขนาดมีฝนตกฟ้าร้องหรือบังเอิญมีใครเชิดสิ่งโตตีปี๊บประกอบฉากหรอกมองหน้าพี่เอิญแล้วเหมือนได้ยินเสียงดนตรีตอนเจอแฟนน่าจะมีเสียงดนตรีประกอบมาวันทาอมยิ้มพอเพอิญมีจริงๆเสียด้วยพี่เจอเขาในห้องซ้อมละครช่วงนั้นมีคนขอแรงพี่ให้ช่วยเล่น f l ุ t คู่กับเขาเป็นรายการหนึ่งของกิจกรรมหารายได้เพื่อการกุศลของมหาวิทยาลายัยตอนเดินเข้าไปเขากําลังเล่นเปียโนอยู่พอดีเพลงอะไร g o o d บ y e เก r l โอ้ยโหยลันดาวทำคออ่อนหัวเราะตอนแรกพี่ก็ไม่รู้ชื่อเพลงหรอกพอถามเขาก็อั้อึง้งทำเป็นเฉยช่ายพูดเรื่องอื่นคบกันแล้วพักหนึ่งถึงฉเฉลยฮ่าฮาแสดงว่านับแต่วินาทีแรกที่เห็นพี่เอิร์นเขาก็คิดยังไงยังไงเดี๋ยวนั้นคงกลัวถ้าบอกแล้วจะเสียความรู้สึกอันที่จริงถ้าใช้กูตบายเกิร์ของเดวิดเกตก็ไม่เห็นเป็นไรฟังแค่ทำนองเพราะเาะไม่ต้องสนชื่อเพลง ก็เป็นแรกพบที่โรแมนติกมากเลยเพราะเนื้อหาที่แท้ไม่ใช่การบอกลาถาวรสักหน่อยนั่นสิเรียนปีเดียวกันหรือเปล่าคะตอนนั้นพี่เพิ่งเป็นเฟลชี่แต่เขาเรียนปีสุดท้ายแล้วถ้าเป็นนักบินตอนมหาลาัยน่าจะเรียนอะไรประมาณวิศวะใช่ชื่ออะไรคะอ๋ อ, องละทีเป็นจุดอ่อนนุ่มอบอุ่นและหวานไวในหัวใจเสมอมีความสุขรินรินเมื่อคุยถึงเขาและลานดาวก็เสมือนเป็นสมาชิกหนึ่งในครอบครัวมาแสนนาน นั่นทำให้มาวันทาอยากแนะนำให้ทั้งสองรู้จักกันเร็วๆคงเท่น่าดูละชนะใจขอเคียงข้างพี่เอิญได้ต้องหล่อแน่จบวิศวาต้องฉลาดเป็นนักบินต้องทักษะดีแถมเล่นดนตรีระดับออกงานการกุศลด้วยคงละมุนได้ที่ละว้าวเทพระบุตรแงแซมาวันทาสายหน้าธรรมดานะกระเดียดไปทางขี้เรศเสียอีกถ้าเทียบกับภาพลักษณ์ของเทพบุรช่วงแรกที่รู้จักออกจะแนว ล, ลงพุงหน้ากลางเหมือนแปะยิมด้วยซ้า รู้หนะ้าจะหาใครสมบูรณ์แบบเป็นเทพบุตรสุดหล่อสำเร็จรูปพร้อมทั้งเก่งพร้อมทั้งแสนดีได้จ้ายอมรับว่าทุกวันนี้ยังเลือกที่จะชอบใครเพราะหลงรูปอยู่แต่อีกเดี๋ยวคงเปลี่ยนไปเพราะเจอหล่อลากดินจนเบื่อบางทียังเราใจสู้หน้าจืดจืดไม่ได้เลยถ้าหากจ้าจะมีใครเป็นตัวจริงจ้าจะมาให้พี่เอิญช่วยเลือกนะคะคงมีตัวเลือกจนหน้ากลุ้มเลยสินะเราลานดาวปลายตามองน้าพุกลางร้านที่กําลังส่งเสียงจักจักไม่ขาดสาย เมื่อลงเล็กน้อยขณะกล่าวตอบถ้าไม่มีใครถูกใจจริงสักคนจะต่างอะไรกับการไม่มีตัวเลือกอยู่เลยปลายเสียงแผ่นนั้นส่องให้เห็นความเหงาในส่วนลึกแจ่มชัดวันหนึ่งจ๊าจะเจอสำเนียงปลอบโยนของมาวันทาทำให้ลานดาวรู้สึกตัวและปรุงหน้าตากับซุ้มเสียงให้แจ่มใสขึ้นก็หวังอย่างนั้นเลยค่ะแต่ถ้าเป็นอย่างคำสาปแช่งของหมอดูที่ให้จ้ารอถึงเกือบสี่คงชักดิ้นชักงอขาดใจตายเสียก่อน ว่าแต่พี่เอิญเป็นหมออายุแค่นี้ทำไมอยู่กรุงเทพได้ล่ะคะไม่ต้องออกไปทํางานโรงพยาบาลต่างจังหวัด 2- อสปีก่อนหรือพี่เรียนอายุรกรรมต่อนะ่ะลานดาวมารู้ภายหลังว่าแพทย์จบใหม่จะเรียนต่อสาขานี้ได้ต้องเก่งเข้าตาอาจารย์จริงๆกับทั้งต้องทํางานหนักและตื่นเช้าเป็นประจําตอนอยู่ในห้องตรวจพี่เอิญเหมือนหมอที่ขยันแล้วก็เอาการเอางานต่างจากตอนนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นนักดนตรีอารมณ์ดีถึงจะเชื่ออารมณ์ดีเพราะอยู่กับจะมัง้ง ลานดาวยิ้มดีใจที่คุณหมอคนสวยพูดถึงตนพี่เอิญชอบฟลุดนี้จาดีนะคะเครื่องดนตรีนางเอกจริงๆเลยพี่ชอบพวกเครื่องเป่ามาตั้งแต่เด็กแม่สอนเป่าใบไม้ก็นึกรักเสียงที่เกิดจากลมมากเคยทำด้วยตัวเองเลยนะฟลุดเนี่ยทั้งจากไม้ไผ่จากท่อพลาสติกนั่งเจาะรูขมักขเม้นเป็นวันๆจนแม่เห็นเอาจริงเลยซื้อฟลดเงินให้แล้วส่งเรียนจริงจังเท่าที่รู้จักคนเล่นฟลูจะรักสงบกันมาก ดูพี่เอินแล้วก็ใช่เลยคงเพราะเล่นฟลูดมาแต่เด็กนี่เองจริงไหมคะการเล่นฟลูดสอนให้เราจดจ่อลมหายใจในแบบที่สามารถยุติความวุ่นวายทางจิตได้สนิทมันเป็นการทําสมาธิอย่างวิเศษทางหนึ่งเคลียจากงานขนาดไหนก็สลายหมดยิ่งชํานาญก็จะยิ่งมีลมหายใจยาวขึ้นช่วยเสริมสุขภาพกายให้แข็งแรงเป็นเงาตามไปด้วยและนั่นก็ทําให้พี่ติดฟลูด ท, ทานองเดียวกับพวกสิงโอมควรติดบุรีวันไหนเลิกเป็นหมอก็คงอยากหากินด้วยการเป่าฟลูดนี่แหละ ลานดาวตาเป็นประกายอยากฟังจริงๆมาวันทาช่างใจเพียงวินาทีเดียวก่อนชวนทานข้าวเสร็จแล้วไปบ้านพี่ไหมล่ะทำไมจะไม่เอาลานดาวรีบทำตาโตตอบแล้วยิ้มแก้มแทบปริ